50 languages. 79 n Onasi. คำคุณศัพท์สอง s i f a t t Di s h a n สวมชุดสีฟ้า Mane n e l a libas pana h u a h i Di s h a n สวมชุดสีแดง ฉันส่เคลุมสีเขียวฉันใส่ชุดสีเขียวฉันใส่เสื้อสีเขียวฉันซึกระเป๋าถือสีดำฉันซึกระเป๋าถือสีดำฉันซื้อกระเป๋าถือ ดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีขาวมบคตดิฉันต้องการรถคันใหม่มุ่กาดีคีจํารัดิฉันต้องการรถความเร็วสูงมอตสกรดิฉันต้องการรถที่นั่งสบาย มุ่งเจ์ให้ความสงบรถที่จำเป็นผู้หญิงชราอยู่ชั้นบนว่า र ยู่บนผู้หญิงอ้วนอยู่ชั้นบนว่า र ยู่บนผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นอยู่ชั้นล่าง वह าอย एक म ुุตจัสมุส์คันเน่วัลีโอรสร่ําตีฮะว่าห์ स करनेवाली มุส์คันเนี่ําตแขกของเราเป็นกันเองฮามาร์เร็มมห์มานอะชีลูกททแขกของเราเป็นคนสุภาพฮามาร์เร็มมหมานมหัศลบกท์ท์แขกของเราเป็นคนน่าสนใจ ที่เราแขกเป็นคนใจดีดิฉันมีลูกที่น่ารักเด็กบของคุณเป็นเ่อนบ้านมีลูกๆของคุณเป็นเด็กดีไหมคะลูกๆของคุณเป็นเด็กดีไหมคะลกๆของคุณเป็นเด็กดีไหมคะ